พระธรรมเทศนาแผ่นที่63าลำดับที่10โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสกวัดปานาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่สี่พฤษภาคม2557มีชื่อเรื่องว่ากระเทาะเปลือกกิเลสให้หมดเชือ้อ วันก่อนหมาของเราไอ้แบนไปรักษาตัวอยู่หลายเดือนเลยอยู่คอนแก่นเดี๋ยวนี้หายแล้วพอกลับมาโอ้เห็นคููบาทั้งหลายกระโดดโลดเต้นไปหาคนนั้นไปหาองค์นั้นองคนี่ไปหมดเลยนะมันดีใจหมานะก่นั่นนะท้องมันโต ท้องมันใหญ่ก็หลอมาน้ํำนะ่ะหลวงพ่อลงไปกรุงเทพไปก็ไปฉันอยู่ที่บ้านคุณหลวงมีหมอหมาเข้ามาพอดีมันก็มีวัฏจักรหมาตัวมันจะมีวาฏจัรนั่นไปหมอหมาเข้ามาหาหลวงพ่อพอดีท่านอาจารย์เจ้าขาดิฉันไปเปิดคลินิกอยู่ที่ขอนแก่นเป็นครั้งแรกถ้าวัฒนอาจารย์มีหมามีแมวมีอะไรก็เอามารักษาได้นะเจ้าค่ะ โอ้พอดีวะดิฉันขอปราวนาเลยนะเจ้าค้าเออมาถึงวัดในหลวงพ่อกันเลยเอ้ยหมายแบรนด์มันท้องโตเลยวน ะ, ะไปหาไปหาหมอที่ขอนแก่นเนี่ยเนยเขาให้เบอร์โทรมาแล้วเนี่ยวะพระก็เลยไปส่งพอไปส่งเขาก็เปิดคลินิกใหม่อย่างว่านนะที่ขอนแกน่นเข้าไปโอ้เขามันมันเป็นอะไรหนอนในหัวใจ ไปหมดเลยคในหัวใจหมาผลในสุกก็เลยรักษาเขาฉีดยาเขาก็ไม่กล้าเลยเขาก็ไม่กล้าฉีดยามากกลัวมันจะไปอุดเช่นเลือดตัวอื่นตายไปครั้งหนึ่งกลับมาก็รู้สึกว่าดีขึ้นพอขึ้นมาอีกกับอีกรอบเก่าอีกพ่อแม่อันั้นมันยังขยายตัวอยู่ มันหนอนในหัวใจเอาไปรักษาคราวนี้เขาก็ว่าจะให้ไปอีกครั้งที่สามก็คงจะดีมันยังไม่หายขาดเหมืนั้นนะยังแม่ใหญ่มันยังมีอยู่แต่เขาก็ไม่กล้าเอาออกมันกันแต่หมอเขาหัเก่งนะเขาจะสืบให้พญาติเป็นหมันไม่ห้มันมีลูกแต่มนอยู่ในหัวใจหมาแต่มันก่อนรู้สึกว่ามัน พออกพอใจมาเห็นคูบาแต่หลวงพ่อดูบินแล้วนะ่ะไม่ใช่ราคาถูกนะพวกเรานะลูกหลานเลยขนาดหมาที่เจอราคาถึงแสนเจ็ดนะคาดดูแลหมาตัวนี้นะราคาแสนเจ็ดขนาดรักษาหมานะ่ทุ ท, ท, ทแต่เขาได้ประวัลนาหลวงพ่อไว้แล้วเขาก็มีแต่ให้หลวงพ่อออกไปอนุโมทนาบัตร ออกไปนุ่มโมธนาบัตรให้เขาแต่เขาก็บอกในรายละเอียดนะเขาใช้ยาอะไรบ้างยาอะไรบ้างยาอะไรบ้างวิธีการรักษาของเขานะเป็นบินยาวเยียดเลยเห็นแล้วถ้าจะให้เลี้ยงหมาเป็นอันนั้นจริงๆโอ้ไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันสมาชิกในครอบครัวของเรานะ่คือหมาตัวนึงไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันนะแต่ก็เป็น พระเขาบอกว่าเป็นหมาของเราเป็นฮีโร่ของของคนทั้งแพทย์ทั้งหมอทั้งพยาบาลเวลาจะไปรับออกมาส่งนะโอโหมาส่งทุกคนเลยมาส่งไม้ไอ้แบนวะเงี้ย น, นี่นี่สมันดีเลยหมาตัวนี้นี่สายดีนี่แหละมาส่งมาถึ ง, ถงวัดแหละคิดว่าอีกไม่นานเขาคงจะกลับไปอีก ไปรักษาอีกสักช่วระยะหนึ่งถ้าถกายรดอายุของหมาแล้วก็ประมาณทักห้าลหกสิบประมาณหสิบกว่ากว่าอายุของหมาตัวนี้นะแล้วก็เมื่อวานหลวงพ่อไปที่วัดบ้านจิกไปงานศพของน้าน้าของคุณเบนเบนจม่าทิ้นอ่อนก็นรู้สึกว่า คนมามากพระชุมควรอยู่วันเนี้ยแต่ฝนตกนะฝนตกระยะยาวมากเลยแต่ของเราฝนที่นายูงของเราเนี่ยไม่มากปูดแล้วถ้าเปรียบเทียบกับข้างนอกแล้วแถวกลางใหญ่แถวนาอูแถวบ้านผือคันนากระจูยกระจ่ายไปฝนแรงแต่แถวเราไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ <c oughs> แต่ตามไม่จริงกับพอดีพอดีนะบะ พอดีพอดีไม่แรงและก็ไม่ลมในวัดของเราไม่ลมปีนี้ไม่เจอพายุลมแต่ก็ยังไม่ยังไม่แน่เราเพราะว่ามันยังไม่พ้นเดือนพฤษภาเดือนพฤษภานะ่ต้นเดือนมิถุนานะหมดหมดพายุลมจากนั้นก็ฝนไปเรื่อยๆ เ, เลเนีก็ไปถึงน้นอีกเนี่ย ไปถึงเดือนตุลากันยาตุลาในช่วงนั้นก็น่ากลัวอีกเหมือนกันเพราะมันหน้าลมลมในช่วงที่มันตีกลับแล้วก็ใบไม้ดินน่วมด้วยดินอ่อนถ้ามีลมมาในช่วงนั้นน่ะต้นไม้โคน่นเสียหายอย่างมากตรวงพ่ออยู่ในป่าลงพงไปได้สังเกตนะ ตัวสังเกตรธรรมชาติแต่หน้านี้ฝนตกหน้านี้ไม่ไหลไม่เป็นไรไม่ค่อยโค้นมีแต่หักขาดหักข้างบนหมุนหักไปเรื่อยพอดินมันแข็งดินมันยังโอบอุ้มต้นไม้อยู่อยู่มันจะไม่โค้นแต่ถ้าเดือนตุลากนยาตุลาน่นะฝนตกในช่วงนั้นมีลมด้วยนะอันตรายในช่วงนั้นโดยมากจะโค้นเป็นส่วนมาก พันดินมันอ่อนดินมันนุม่มดินมันอมน้ำต้นไม้มันก็โค่นได้ง่ายอันนี้คือธรรมชาติของป่าดงพงไัยแต่ถึงอย่างไรอย่างที่หลวงพ่อเคยพูดหลบพายุฝนก็หลบได้หลบลมหลบได้แต่หลบ ความแก่ความเจ็บความตายเนี่ยหลบไม่ได้หลบไปที่ไหนหลบไม่ได้ตัวนี้มันอยู่กับเรามันแก่แล้วก็เจ็บตายในที่สุดหลบลีกหนีไม่พ้นตัวนี้มีทางเดียวเท่านั้นน่ะหลักธรรมคาสอนที่พระพุทธเจ้าไปค้นคว้าศึกษาในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าชํามละจิเลศ แต่ร่างกายของเราในภพนี้ชาตินี้เนะี่ยถึงยังไงกันหนีไม่พ้นแล้วละ่ะมันเป็นวิบากในอดีตมาต่อเนื่องในมาถึงปัจจุบันแต่ถ้าว่าเราชำระจิตใจในปัจจุบันขณะ น, นี้ที่จะไม่ให้มันเกิดให้มาให้มันจบชาระจะสิ่งที่จะให้มันเกิดสิ่งที่จะเกิดต่อไปภายภาคห น, าหน้านั้นคืออะไรคือมันมีเชื้อเชื้อ ที่เชื้อที่จะทำให้เกิดนั่นคือกิเลสราคะโทสะโมหะโลภโกรดหลงอันนั้นคือทำให้ดวงวิญญาณได้เกิดในภพภูมิต่างๆไม่มีที่สิ้นสุดถ้าเราตัดกิเลสราคะโทสะโมหะออกจากใจซะใจบริสุทธิ์ใจดวงท่านก็เข้าสู่นิพพานไม่มาเวียนว่ายตายเกิดอันนี้นก็คือ แนวแถวหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่เกิดมาพบนอชาินี้อย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นไม่มีใครที่จะพ้นไปได้อย่างพระพุทธเจ้าท่านเป็นผู้บุญหนักสักใหญ่ครูบาอาจารย์ของพวกเราก็เหมือนกันเป็นผู้มีบุญหนักสักใหญ่แต่ที่ยังไงก็ไม่มีใครที่จะไม่มีท่านองค์ใดท่านผู้ใดที่จะหลอดพ้นมรณะภัยไปได้ แต่ว่าท่านเหล่านั้นท่านบอกว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายแล้วเราจะไม่มาเกิดอีกเราหมดแล้วกิเลสที่จะทำให้เกิดอีกนั้นหมดแล้วถ้าเราจะเปรียบเทียบให้ชัดเจนก็เหมือนกับมเมล็ดข้าวมเมล็ดข้าวนเนี่ยเขาากระเทาะ เ, เ, เปลือกออกพอกระเทาะออกเปลือกแล้ไปนึ่งแล้วก็จบพราะมันเป็นข้าวสารแล้ว มันไม่เกิดอีกแล้วที่จะทำให้เกิดอีกมันไม่มีแล้วที่จะทำให้วกุนเวียนแต่ถ้ามันเป็นเข้าเปลือกออกเปกหวานอีกมันเกิดอีกงอกไปอีกแล้วก็เงื่นมาอีกเปล่าปูอีกงอกงอกไปอีกแต่พระพุทธเจ้าพระอาจาร์ทศกนะท่านมากระเทาะเปลือกมันออกมันเกิดไม่ได้อันนี้ก็คือความบริสุทธิ์อันนี้ก็คือแนวแถวของ พระพุทธศาสนาหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าจากนั้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราหลวงปู่เสาหลวงปูมั่นหลวงตาครูบาอาจารย์ของพวกเราท่านปฏิบัติท่านก็ยืนยันหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเป็นของจริงถ้าผู้ปฏิบัติจะรู้ได้ด้วยตนเองตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีก ใครทํากรรมอันไหนไว้ได้รับผลกรรมนั้นทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วทั้งให้ผลในปัจจุบันและอนาคตเพราะนั้นท่านจึงสอนว่ากรรมชั่วอย่าทําเสียเลยดีกว่าเมื่อทํากรรมชั่วกำรรชั่วให้ผลตนเองจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังเพราะฉะนั้นให้พวกเราเนืคณะศรัทธาญาติโยมลูกหลานทุกคนเนี่เราเกิดมาได้พบพระพุทธศาสนา ได้พบพ่อแม่ครูบาอาจารย์ควรปฏิบัติตนตั้งตนไว้ให้ชอบประกอบแต่คุณงามความดีสิ่งที่ไหนที่มันไม่ดีอย่าทาอย่าคิดอย่าพูดอย่าทำในสิ่งที่มันไม่ดีให้คิดทำพูดแต่สิ่งที่ดีเมื่อเราคิดทำพูดสิ่งดีแล้วความดีนั่นจะสนองเราไปอยู่ในสถานที่ใดมีแต่ความร่มเย็นผาสุ แต่ถ้าว่าเร า, เาคิดชั่วทาชั่วพูดชั่วแล้วจะอยุดณนะสถานที่ใดเกดือ ด, ดร้อนไปหมดนั่นแหละเพราะตัวเองทำลงไปแต่เมื่อพูดก็ไม่ได้คิดเมื่อทำลงไปก็ไม่ได้คิดแต่เมื่อคิดก็ขึ้นมาเข้าข้างตัวเองว่าตัวเองเป็นผู้ฉลาดหลอบรู้หลอบครอบเอาตัวรอดได้ไม่มีปัญหา มันคิดเข้ามามีเธอเข้าข้างตัวเองในขณะที่คิดเพอคิดเธอก็วางแผนทำพอทำลงไปท่านนี้นะมันผิดพลาดเลยท่านนี้พอผิดพลาดลงไปนี่นะปฏิเสธกันจ้าละวันลแล้วทนนี้ข้าไม่ได้พูดข้าไม่ได้ทำํำทั้งที่ตัวเองทําหมดทุกอย่างเพราะอะไรเพราะกลัวความผิดเนี่ยเพราะความความชั่วจะทําทเสเลดีกว่าเพราะความชั่วเมื่อทําลงไปแล้วนะ ่าทำให้ตนเองเดือดร้อนเมื่อภายหลัง น, ะนี่แหละหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาก่อนที่จะทำพูดขึ้นมาต้องคิดให้ดีซะก่อนอย่างวันนิซัมมะกระนังเอยโยไข้ ค, ควรซะก่อนใข้ควรทบทวนให้ดีซะก่อนแล้วจึงค่อยพูดค่อยทำลงไปถ้าเราคิดดีแล้วเนี่ยถึงจะผิดพลาดก็ไม่มากเพราะอะไรแก้ไขได้ มันอาจจะมีมุมหนึ่งที่เขามองไม่ไม่เหมือนเราเรามองอีกมุมหนึ่งแต่ก็คงไม่ผิดพลาดมากเพราะหลไรเพราะเราได้ไข้ควรดีแล้ว น, ะนี่แหละหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นกระจกเงานะคะศนระัทธาญาติโยมลูกหลานนะต่อนนี้ไปรับพรนะ้อนจเนืพระสงค์อนุโมทนาให้พร